ตอนบรรยายธรรมเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาวันที่30สิบกระะกฎาคม 2,558 ้าห้าสิบแดขอากราบนมัส ก, การพระคุณเจ้าสามเณรคุณเมชีกัลยะมิตรทุกท่าน mm hmm. ก็นั่งสบายๆเนะเขาะพระครูก็ขออนุญาตใช้เวลาสักครู่นะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยนะตามเหตุปัจจัย ก็มีอีกเรื่องหนึง่งก็เปลี่ยนอีกนะเพราะบินฟ้าอากาศไม่ปกติก็ตอนเช้าถ้าเกิดฝนตกอีกนะเราก็มาบิณฑบาตในศาลานี้นะทุกคนรู้เลยนะถ้าฝนตกก็เข้ามาในนี้ถ้าฝนไม่ตกก็ไปที่ฐานพระใหญ่แล้วก็พระคุณเจ้าพระภิกษุสามนเณรคุณไม่ชีก็จะภาวนาตัวเข้าพรรษาตอนบ่ายสอง นะก็กาลยมิตรทุกคนผู้ผปฏิปธรรมทุกคนก็มาพร้อมเพียงกันนะวันนี้เป็นวันที่สาคัญวันหนึ่งของพุทธศาสนาเรานะพุทธศาสนิกชนทั่วโลกรวมใจกันเป็นหนึ่งนะรวมพลังกันทั้งโลกนะวันนี้เรียกว่าเป็นวันผสมก็ได้เป็นวันพรัตนไตยก็ได้ นะวันอาสาละหบูชาเนี่ยนะมีสิ่งมหัจ์เกิดขึ้นสามอย่างนะก็คืออย่างแรกเป็นครั้งแรกที่ผู้เจ้าทรงสแสดงธรรมนะเรียกว่าธรรมจักกัปวันสูตรนะพระอัญญาโกธัญญะได้ฟังแล้วก็บรรลุธรรม มันรู้รมพระสงฆ์องค์แรกก็เกิดขึ้นนะก็ถือว่าปราาตัตนไตครบคงถือว่าเป็นความสำคัญของาศาสนาเราเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันพระสงฆ์นะพวกเราเดินทางมาจากทางไกลที่มาจากกรุงเทพนะนั่งทั้งคืนทั้งครึ่งวันรถติดมากมายนะ มันเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนเราทุกๆคนไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งพุทธบริษัทสนะีการที่เราวางภาระหน้าที่พวกครูไม่ได้ใช้ว่าเราเสียสละเราไม่ได้เสียสละอะไรเลยเรามาทำในสิ่งที่ควรทำมันเป็นหน้าที่เราทุกๆคนนะถ้าไม่ช่วยกันจันโลงพระศาสนาเนี่ยยิ่งกระแสะโลกทุกวันนี้กระแสะทุนนิยมวัตถุนิยมแรงมากนะประเพณีวัฒนธรรมดีๆ นะต้องช่วยกันจันร่งไวนะ้ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านนะที่อุติสาวางยี่สี่ชั่วโมงของเราเนี่ยแก้ปัญหาเราก็ยังไม่ทันเลยเพราะครูเคยต่อสู้กับทางโลกรู้ดีเรายังวางตัวนั้นนะ่นะมาทำหน้าทีนะ่มารวมพลังกันไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวนะทั้งโลกในวันนี้นะ่ะรวมกันเป็นหนึ่ง คืนนี้ถ้าใครสนใจเราจะปฏิบัติถึงเที่ยงคืนหนึ่งนาทีนะอย่าปล่อยโอกาสนี้เป็นครั้งแรกนะที่พระสงค์องค์แรกเกิดขึ้นในโลกนี้นะถ้าใครต้องการก็ถ้ามีผู้ปฏิบัตินะพ่อครูจะนั่งเฝ้าพวกเราถึงเที่ยงคืนหนึ่งนาที คำว่าธรรมจักกับปวันสูตรยี่สกปีที่พระครูมานั่งอยู่ตรงนี้ก็มีคำถามมากมายพระไตรปิฎกมีไหมพุทธการมีหรือเปล่าทาไมเป็นแปลกๆปฏิบัติแบบแปลกๆนะก็ทุกคนก็มีความห่วงใยพุทธศาสนาก็แสดงความทิ่เห็นก็เป็นเรื่องธรรมดานะจริงๆแล้วธรรมาจักกับปวนสูตรนี่เป็นสูตรแรก เป็นสูตรแรกที่พระองค์ทรงแสดงเรียกว่าปฐมนิเทศนานก็แสดงธรรมาจากกับปวณาสูตรอริยสัจสีโดยยึดหลักทางสายกลางทีนี้อะไรคือธรรมาจากกับปวนาสูตรนะธรรมาจากกับปวนาสูตรคืออะไรนะที่พ่อครูพูดบอกบอกบ่อยๆเราเจริญอนุสติคือสติเล็กๆนะมันต้องพัฒนาอนุสติเข้าไปสู่มหาสติ คือสติใหญ่ถ้าเราไม่ถึงขั้นมหาสติได้เนี่ยนะเราจะระลึกชาติไม่ได้เราจะรีไวไปสู่อดีตไปเอาบา ร, รมีที่เราฝึกมาหลายภพหลายชาติมาต่อยอดไม่ได้สติคือระลึกรู้อนุสติคือระลึกรู้รู้ตัวทั่วพร้อมเอามาใช้กับชีวิตปัจจุบันแต่มหาสติเนี่ยนะทำให้เราเระลึกรู้อดีตได้ ไปเอาอดีตบารมีที่เราสร้างมาแล้วมาต่อยอดและเอกกรรมที่เราเผลอไปสร้างมาก็หลายชาติเหมือนกันก็ไปเรียนรู้กับกรรมนั้นถ้าไปในยุคนี้เราบอกว่าเหมือนเราใช้คอมพิวเตอร์เราต้องเข้าไปในเว็บไซต์ถ้าไม่ถึงขั้นมหาสติปัะญานเนี่ยเราก็ไม่มีกำลังที่จะไป็นกลึกรู้อดีตได้นะที่เราทำทุกวันนี้เนี่ยพระครูเรียก แรกๆมาจากอเมริกาใหม่ๆเพราะกูก็ไม่รู้เรื่องภาษาพุทธศาสนานะไม่รู้นะทีนี้บางคนเรียกว่าสมาธิเหวี่ยงเพราะคูไม่ได้ตั้งชื่อมันไม่มีชื่อเรียกมันไม่ใช่สมาธิมันไม่ใช่แค่สมาธิตอนนี้เราถามว่าปฏิบัติทมปุ๊บแล้วก็ถามว่าฝึกสมาธิแบบไหนจเจริญสติแบบไหนเป็นอย่างงี้หมดเลยนะเราโมจะเจริญสมาธิ ฝึกสมาธิเจริญสติเราไม่พัฒนาไปสู่การเจริญมรรคการปฏิบัติธรรมไม่ใช่จบอยู่ที่สมาธิหรือสติการปฏิบัติธรรมคือเจริญมรรคผลนิพพานนะหลวงปู่ดุล น, นะพูดบ่อยๆจิตเห็นจิตคือมรรคผลของจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ ง, งคือนิโรธแต่ตอนนี้เราไม่เข้าไปเห็นจิตเราเอาจิตมาดูอริยบทของกาย ดูการเคลื่อนไหวของกายมานั่งดูลมหายใจอันนี้เป็นแค่เจริญอนุสติมันไม่ใช่ผิดมันเป็นการฝึกสมาธิเจริญสติไม่ใช่เจริญมรคมร์เราต้องเข้าไปในจิตในจิตกายในกายเวทนาอินจิตในจิตเข้าไปสู่ธรรมในธรรมนะธรรมในธรรมนี่คือธรรมลมที่บันทึกเป็นสัญญาอยู่ในจิตใต้สํานึกเรา ในรูปของกรรมดีและกรรมชั่วบารมีฝ่ายลบฝ่ายบวกมันอยู่ข้างในนั่นคือกล่องปัญญาอย่างยิ่งสติจึงไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดนะเป้าหมายสูงสุดคือปัญญานะศา ส, สนาพุทธสอนให้คนเกิดปัญญาเมื่อเราเกิดปัญญาแล้วเนี่ยเราก็จางคลายความยึดมั่นถือมั่นจางคลายความหลงผิดจางคลายเอาวิชาคือความรู้ผิดต่างๆนะ นั่นแหละคือการพ้นทุกข์ไม่ใช่แค่สติที่พ่อครูพูดบ่อยๆไม่ใช่เล่นดินหรือว่าอะไรนะโจนก็มีสติโจนก็มีสมาธิไม่งั้นเขาพ้นไม่สําเร็จแต่เขาไม่มีศีลเขาไม่มีปัญญาเขาจึงเอาสติสมาธินั้นนะไปเบียดเบียนไปสร้างกรรมใหม่นะแต่ทุกวันนี้เนื่องจากว่าเราใช้อุบายในการฝึกจิตมันเป็นอุบายมันไม่ได้ผิดแต่ถ้าเป็นหลงอุบายมันเมื่อไหร่นะเป็น ไปเอาอุบายนั้นมาตั้งเป็นชื่อเรียกเป็นแบรนด์เนมตั้งค่ายกวนเป็นลทัทธินิกายกลายเป็นศึกแย่งชิงมลชนกันมันไม่ใช่ทางพ้นทุกแต่มันไม่ได้ผิดแต่เราแค่ฝึกวิชาเรียนวิชาสมาธิสติเฉยเฉยเราไม่ได้เจริญมรรคนะมรรคคืออะไรต้องจิตเห็นจิตต้องเข้าไปในจิตเราจเจริญกายเวทนาจิตทำรวมเป็นหนึ่งเดียวนะ ยีปีพ่อครูหยุดชีวิตมาอยู่ในป่าแห่งนี้ต้องเรียกว่าป่าไม่มีไฟฟ้าอยู่11ปีไม่มีถนนเข้ามาไม่มีหมู่บ้านหมู่บ้านอยู่ข้างนอกพ่อครูนั่งเลือข้ามมาพ่อครูอยู่นิ่งๆยี่ปีไม่เคลื่อนไหวพอถึงเวลาแล้วจิตมันบอกว่าถึงเวลาออกไปข้างนอกแล้วพ่อครูก็ออกไปหปีไปทาหน้าที่แล้วสองปีที่ผ่านมาเขาก็บอกว่าหยุดอีกก็หยุด อยู่ในที่ตั้งไปรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งว่าข้างนอกมันเป็นยังไงแล้วมีแต่ทิติมานะมีแต่ความขัดแยง้งนะเพราะว่าเราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กๆนะเป้าหมายคือสร้างอนาคตต้องแข่งขันนะการแข่งขันคือจุดเริ่มต้นของความแตกแยกตอนนี้แตกแยกไปทั้งโลกนะก็ไปเห็นแล้ว ก็ไปทำหน้าที่แล้วก็หยุดหยุดไปถึงไหนไม่รู้นะมันเคยหยุดมายี่สิบปีแล้วตอนนี้ก็เหตุปัจจัยมันเป็นอย่างนี้เราก็หยุดนะเมื่อเราเปลี่ยนโลกไม่ได้เราหยุดกระแสกรรมไม่ได้แต่ชีวิตเป็นของเราชีวิตเราหยุดได้ยิ่งทั้งนอกเขาพูดเรื่องสิทธิเราก็มีสิทธิในการบริหารชีวิตเราเราก็ใช้เราก็มีสิทธิที่จะไม่ต้องไปตามโลกนั่นคือสิทธิของเรา นะตอนนี้โลกมันเปลี่ยนกิเลสขี่จรวดนะเราหมดจะต้มตมเตียมเตียมสมว่ามีศึกสงครามสมัยก่อนประวัติศาสตร์ไทยเราลบกับพม่าเราก็ขี่คอช้างถือเงี้ยวถือเงาวไปฟันดาบกันทุกวันนี้ทำอย่างนั้นได้หรือเปล่านะไม่ได้แล้วนะเพราะโลกมันเปลี่ยนนะเราก็ต้องมีอาวุธ มีสิ่งที่เหนือกว่านะจิตเราก็เหมือนกันอินทรพละรของจิตต้องพัฒนาให้รู้เท่าทันกิเลสเพราะกิเลสพัฒนาไปเรื่อยๆเขามาอยู่กับที่ผู้เจ้าู้เจ้าถึงบอกเราว่าให้เป็นไปตามเหตุและปัจจัยต้องรู้เท่าทันเหตุปัจจัยที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ไปนอนุรักษ์ของเก่านะผู้เจ้าถึงเตือนว่าอย่าพึ่งเชื่อที่ทําตามๆกันมาพระองค์ไม่ได้บอกว่ามันไม่ดี แต่มันไม่ทันยุคทันสมัยมันไม่ทันเหตุปัจจัยที่มันเปลี่ยนนะพอเราตายไปแล้วคนรุ่นใหม่เขาไม่เอาเนี่ยมันก็สูญพันธุ์แล้วก็นุรักษ์ไม่ได้เหมือนเก่านะเราต้องยอมเปลี่ยนอุบายวิธีบางอย่างเพื่อให้คนยุคใหม่เนี่ยเขาพอยยอมรับได้นะนั่นแหละสิ่งนี้แหละศา ส, สนาถึงดำเนินต่อไปได้ แต่หลักการหมายถึงว่าพ่ะครูไม่อยากพูดหลักการกับปัชญาหรอกนะมีพระอาจารย์สันไทยเอสันชัยเป็นครูบาอาจารย์ของพระโมคคลลาภาษาลิบุตรนะลูกศิษย์ของท่านเนี่ยมาบวชกับพระพุทธเจ้าทั้งหมดท่านก็ตามมาท่านถามพระพุทธเจ้าว่าหลักการที่ท่านสอนคืออะไรพระพุทธองค์ตอบว่าหนทางแห่งพุท ธ, ธะ ของเราไม่มีหลักการไม่ใช่ปัจชญานะแต่เป็นประสบการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นเอามาถ่ายทอดใช่ถ้าเรามีหลักการมีปัจชญาที่ตายตัวเราจะบังคับทุกคนให้เป็นหุ่นยนต์ทำเหมือนเราหมดอันนั้นแสดงว่าเราไม่เข้าใจเรื่องนาน า, นาจิตตังลูกฝาแฝดคู่หนึ่งเกิดมาพร้อมกัน DNA เหมือนกัน คนหนึ่งไอคิวสูงคนหนึ่งไอคิวต่ำคนหนึ่งขี้แยคนหนึ่งไม่ขี้แยถามว่าทำไมนะตั้งแต่เกิดมามันก็ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันแล้วเราจะบังคับให้เขาเป็นหุ่นดนเหมือนกันหมดมันเป็นแค่องค์ควิชานะทุกวันนี้เราแยกส่วนสอนแบบเป็นอง ว, นะวิชานะวิชานี้วิชานี้วิชานี้แล้วกลายเป็นลัทธินิกายขึ้นมาอาจจะถูกจริตกับบางคนก็อาจจะไม่ถูกกับบางคนก็ได้ บางคนมาที่นี่มาเห็นปุ๊บวิลัทธิอะไรบอกไม่ถูกจริตเลยเราชอบเย็บเงียบนั่งอยู่นิ่งๆจริงๆแล้วเราเข้าใจผิดอันนี้ไม่ใช่จริตเราอันนี้คือกิเลสเรากิเลสความเคยชินซึ่งชาตินี้เราฝึกแล้วเราคุ้นเคยกับมันเราก็คิดว่าจริตเราไม่ใช่จริตจริงจริจริตจริงๆเราต้องเข้าไปในจิตในจิตจิตเดิมเราเนี่ยเขาพัฒนาจริตเขาไปยังไงเขาจะมาต่อยอดของเขาเองนะแต่ทุกวันนี้เนี่ยเราเรียนรู้ เป็นแบบแยกส่วนเป็นทีละสเต็ปสเตปนะทีละขั้นทีละขั้นเหมือนเราเรียนในทางโลกมาใหม่ใช่ไหมไปเรียนอนุบาลไปเรียนกอไก่ขอไข่ซึ่งเรื่องจิตวิญญาณไม่ใช่อย่างนั้นเพราะครูยืนยันว่าไม่ใช่อย่างนั้นเด็ดขาดนะหลายปีมีโอกาสแลกเปลี่ยนผู้รู้ที่เดินทางมาที่นี่นะเราแลกเปลี่ยนกันเยอะ ท่านเหล่านั้นก็เคยเตือนพระครูว่าพระครูแนวทางพระครูเนี่ยก้าวกระโดดเนี่ยขึ้นบันไดก็ตกลงมาพระครูบอกถูกแล้วต้องทีละขั้นนั่นแหละแต่อย่าไปถามว่าปฏิบัติมากี่ปีได้ชาญเท่าไหร่ต้องถามว่าปฏิบัติมากี่ชาติมันไม่ใช่เรื่องชาติเดียวที่จะมาทำได้นะทุกคนทำได้แต่ถ้าเราไม่เอาอดีตบา ร, รมีที่เราฝึกมาหลายชาติมาต่อ ย, ยอดเนี่ยพ่อครูใช้คาว่าตายก่อน ตายก่อนกระแสกรรมเราก็สร้างมาหลายชาติเขาก็ไล่บี้เราอยู่นั่นแหละผู้เจ้าถึงชี้ทางให้เราเข้าไปในจิตกายในกายเวทนาเวณนาจิตในจิตธรรมในธรรมถ้าเราไม่เข้าไปในจิตในจิตเราไม่สามารถเสพธรรมในธรรมธรรมในธรรมนี่คือธรรมลมนะซึ่งบันทึกอยู่ในจิตใต้ส้นึกเราเรียกว่าสัญญาต่างๆทั้งในแง่บวกแง่ลบเราเข้าไปตรงนั้น เอามาต่อยอดแล้วก็เรียนรู้กับความที่เราพลาดมาแล้วหลายชาตินะไอ้กรรมไม่ดีต่างๆนั่นแหละคือตัวปัญญาอย่างยิ่งอันนี้พูดจากประสบการณ์ของพ่อครูนะยี่สิปีมาที่นี่ไม่ได้อ่านหนังสือเพราะไม่มีความจําเป็นต้องอ่านเพราะไม่มีข้อสงสัยแต่หลายปีมานี้เนี่ยเนื่องจากความเมตตานะเพราะความรู้ยุคนี้นี่เกิดจากวิชาการซึ่งผ่านตัวหนังสือ นะทุกคนก็มีอัตราตัวตนมีวิถีจดิตัวเองโดยเฉพาะเรามาเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์นะเรามาเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ต้องมีเหตุมีผลบางอย่างมันตอบเหตุผลแบบตรกกะไม่ได้นะก็สองสามบรรก่อนมีสหธรรมิกพ่อครูคนหนึ่งนะเรียกว่าสาสธรรมิกของพ่อครูเลยล่ะ อายุห้าขวบเขารุ่นเดียวกับพ่อครูรุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สองเหมือนกันวันแรกเขาก็ถามพ่อครูว่าพ่อครูมนุษย์คนแรกนี่คือพ่อครูไม่เคยได้ยินนะสาธรรมิกพ่อครูอายุห้าวขวบมาถามพ่อครูพ่อครูก็คุยๆกับเขาในโลกในจักรวาล น, นี้ไม่มีอะไรที่มันเกิดขึ้นมาปุ๊บ ล, ลอยๆเลย ไม่มีนะไม่มีอย่างมนุษย์เราเนี่เกิดจากกายพันเอาละเขาวิจัยเขาก็คาดคะเนเอาไม่รู้จริงไม่จริงนะกำลังค้นหาอยู่หา ก, กระดู ก, กอะไรอะไรมาวิจัยอยู่กส่วนมากก็สรุปว่าเราพัฒนามาจากลิงนะทีนี้ลิงมันมาจากไหนนะีถ้าสหามิตเราเนี่ยห้าขวบเนี่ย เขาจะถามไปเรื่อยๆนะมันก็เหมือนว่าเราถามว่าผาชิตย์มาจากไหนนั่นแหละทีนี้บางอย่างมันเป็นอจินไตนะผู้เจ้าบอกว่ามันเป็นเช่นนั้นเองถ้าเรารู้แล้วมันไม่เกี่ยวกับการพ้นทุกข์มัวเราจะไปหาคำตอบเหล่านี้เราก็ตายก่อนนะเพราะองศ์ อ, อย่างเดียวเท่านั้นนะคืออริยสัจสีก็คือว่าอะไรคือตัวทุกขอะไรคือเหตุแห่งทุกอะไรคือความดับทุก อะไรคือหนทางไปสู่การปลดทุกข์พูดแต่เรื่องทุกข์ส่วนอย่างอื่นๆพระครูพระองค์ก็แนะนําเราการอยู่กันแบบผู้ครองเรือนทํำยังไงนะต้องทํำยังไงอันนั้นเป็นเบสิกแต่ว่าหลักใหญ่ใจความของศาสนาเนี่ยไม่ได้สอนให้เราเป็นคนดีไม่ได้สอนให้เราเป็นคนชั่วศาสนาพุทธสอนให้เราพ้นทุกข์สถานเดียวไม่ได้สอนให้เราเป็นอะไรเลยนะถ้าเรายึดหลักอริยสัจสีเนี่ย พูดแต่เรื่องทุกเหตุแห่งทุกความดับทุกขหนทางไปสู่การพ้นทุกข์ทีนี้เมื่อกี้ก็เกินๆว่าแต่วิทยาศาสตร์เราเนี่ยมาเรียนรู้แต่เรื่องกายภาพเป็นอัตนิยมคือต้องรูปประธรรมเท่านั้นถ้าอะไรไปพิสูจน์ไม่ได้ด้วยรูปประธรรมนี่วิทยาศาสตร์เราปฏิเสธเพราะเขาไม่มีเวลาไปศึกษาต่อ เขาก็เลยกลายเป็นรู้ความจริงแค่ครึ่งเดียวความจริงมันมีรูปมีนามแต่วิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สนใจนามมาทำนะเรารู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ดีใจเสียใจเป็นนามมาทำหมดแต่เราเอาความสามารถแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยไปวิจัยแต่เรื่องวัตถุเรื่องพลังงานนะก็เร็วๆนี้มีญาติธรรม ก็เอาหนังสือมาให้พระครูเล่มหนึ่งนะวิทยาศาสตร์ควันต้อมพระครูก็เปิดดูบ้างนะเป็นวิทยาศาสตร์แขนงใหม่แต่ยังไม่มีบทสรุปแต่ยังน้อยๆเขามาศึกษาเรื่องนามธรรมาแล้วเขาพูดถึงเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะรูปรส กลิ่นเสียงสัมผัสเราเห็นรูปนั่นไอ้ตัวเห็นรูปนั่นก็คือนามมาทาเหมือนกันนะแต่ไอ้รูปนั้นน่ะมันเป็นรูปประทรมก็จริงอยู่แต่ไอ้ตัวที่เห็นมันเนี่ยก็เป็นนามหมดแต่อย่างนี้น้อยดีแล้วเขาเข้ามาศึกษาเรื่องนี้แล้วเขาไปเจอสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ย เขาไปยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลงถ้าค้นคว้าวิจัยได้ปุ๊บมันคงที่ตลอดที่เราเรียกว่าอัตรานิยมแต่คนต้อนนี้เขาไปเจอแล้วว่ามันไม่แน่นอนอย่างน้อยๆเขามาเจอแล้วก็ดีแล้วนะพ่อคูก็อ่านเข้าๆนะแล้วเขาก็พูดถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมักๆกระทบตาหูจมูกลิ้นกาย หนังสือเล่มแรกที่พระครูเขียนเรื่องนี้คืออายตนะวิปัสสนากรรมฐานผู้เจ้าพูดเรื่องนี้ตั้งแต่สองพันกว่าปีก่อนนะทีนี้เขาก็พูดถึงเรื่องแค่ห้าอย่างเห็นไหมรูปกระทบตามันก็เกิดภาษาขึ้นเขาก็พยายามสแสวงหาพลังงานนั่นแหละเขายังมีโจทย์อยู่ยังมีเป้าประสงค์อยู่นะแล้วเขาก็ใช้เครื่องเขาผลิตเครื่องมือตัวหนึ่งเรียกว่าภาสาทเทียมเป็นเครื่องมือ ปราสาทเทียมมาตรวจพลังที่มันกระทบพัสษาเขาก็เจอพลังงานอย่างหนึ่งแล้วเาก็ไปเจอเรื่องมันไม่เที่ยงเรื่องเรื่องความไม่แน่นอนแต่เขายังไม่เข้าถึงตัวอารมณ์ของใจนะถ้าจะเข้าถึงอารมณ์ของใจแล้วก็เข้าถึงระบบเวียนว่ายตายเกิดบาปคุณุโทษกฎแห่งกรรมต่าง ต้องเลิกใช้เครื่องมือทุกอย่างต้องหยุดใช้เพราะเครื่องมือมันหยาบเกินไปนะแล้วต้องหยุดคิดที่ว่าจะค้นคว้าเพื่ออะไรเนื่องจากเรามีโจ์ตรงนี้ไอ้โจ์ตรงนี้แหละมันบล็อกเราไว้เพราะครูพูดบ่อยๆว่าไอน์สไตน์เนี่ยพบทฤษฎีสัมผัสภาพความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องของสรรพสิ่งของพลังงานนะ ถ้าในวงการวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็เชิดชูอไอน์สไตน์เนี่ยเป็นอะไรล่ะเป็นครูบาอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่แต่สุดท้ายไอน์สไตน์เนี่ยวิกฤจริตนะก่อนจะเสียชีวิตเพราะไอน์สไตน์ค้นพบทฤษฎีสัมพัทธภาพด้วยความคิดที่เฉียบแหลมและสุดท้ายก็ไปติดบ่วงความคิดนั้นเพราะมันมีสิ่งที่ละเอียดกว่า น, นั้นอีกอย่างตอนนั้นเราไปเจออะตอม เขาไปพบว่ามีสิ่งที่เล็กกว่าอะตอมซ่อนอยู่ในอะตอมเนี่ยเรียกว่าอนุภาคใต้อะตอมแต่เขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขาพยายามจะใช้เครื่องมืออะไรก็ชั่นก็ไปวิจัยก็ไม่มีคำตอบนะไอสไตน์พบเนื่องจากมีความคิดที่เฉียบแหลมแต่พระผู้เจ้าเห็นปฏิสสมุติบาทหรืออิทธปจียตาเนี่ยเนื่องจากพระองค์เลิกคิด พระ อ, องค์จริงไปเห็นสิ่งนั้นนะแล้วพระ อ, องค์ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอะไรเลยถ้าจะศึกษาควันต้มที่เขาเขียนมาเนี่ยพวกว่ามาถูกทางแล้วแต่อย่าหยุดแค่นั้นต้องเลิกใช้เครื่องมือมาใช้เครื่องมือพระพุทธเจ้านะเครื่องมือพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องมีเทคโนโลยีไม่ใช่เครื่องมือแบบมนุษย์สร้างขึ้น ผู้เจ้าชี้ทางให้เราเห็นนะสิ่งที่พวกเราจะศึกษาต่อเรื่องนามธรรมาเนี่ยอันดับแรกต้องหยุดใช้เครื่องมือนะซึ่งมนุษย์สร้างขึ้นนะพระองค์บอกว่าสวากขาโตภควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้เจ้าได้ตัดไว้ดีแล้วสันทิติโก เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปั ส, สิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเห็นไหมพิสูจน์ได้ท้าทายให้มาดูท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตไม่ใช่เรื่องพิสูจน์ไม่ได้พระองค์บอกเลยว่า เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนณะยิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวนะน้อมเข้ามาใส่ตัววิทยาศาสตร์สอนให้เราไปวิจัยเรื่องข้างนอกไปเห็นแต่สิ่งข้างนอกไปสร้างแต่สิ่งข้างนอกนะปัจจบตังเวทิตาโพวินยูหีเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนพิสูจน์ได้ แต่ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเราเองและเราก็ไปเห็นเองแล้วเราก็เข้าใจสิ่งนั้นเองเราไม่สามารถถ่ายทอดสิ่งนั้นด้วยรูปภาษาได้สิ่งที่ผู้เจ้าตรัสรู้นั่นคือความจริงแต่สิ่งที่พระ อ, องค์ทรงสอนเป่งออกมาเป็นแค่ภาษาภาษามันยาบเกินไปที่จะอธิบายสิ่งนั้นผู้เจ้าถึงเตือนเราว่าอย่าพึ่งเชื่อตำราอย่าพึ่งเชื่อ และพิสูจน์ยุคนี้พระองค์รู้ได้ยังไง 2,000 กว่าปีว่าทุกวันนี้จะเกิดเหตุด็อกเตอร์ทางศาสนาสองคนคนหนึ่งแปลนิพานว่าอัตตาคนหนึ่งแปลว่าอนัตตาก็นิพานเหมือนกันคนหนึ่งบอกเลียวซ้ายคนมองบอกเดียวขวาทํำไมพระผู้เจ้ารู้อย่าเพิ่งเชื่อตำํำราอย่าเพิ่งเชื่อคนที่พูดเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์เราเพราะท่านสอนเราท่านในรูปของภาษาปุ๊บเนี่ยฟังหูไวห้หูนะบางทีท่านพูดออกมาไม่ได้ผิด แต่ปัญญาเราไม่ถึงเราไปเข้าใจผิดเราก็ปฏิบัติผิดอย่าเพิ่งเชื่อที่ตำตามกันมานะลัทธินั้นลัทธินี้วิธีนั้นวิธีนี้พระองค์ม่หลูว่ามันไม่ได้ผิดแต่มันไม่ทันต่อเหตุปัจจัยที่มันเปลี่ยนแปลงเห็นไหมแล้วก็พิสูจน์อย่างหนึ่งวิทยาศาสตร์เราเนี่ยครองโลกมาหลายสิปีที่ผ่านมาเริ่มเปลี่ยนวิทยาศาสตร์แนวใหม่หคือควอนตัมเห็นไหมเดี๋ยวมันจะลบล้างทฤษฎีเก่า ที่บอกว่าเที่ยงแทนแน่นอนตอนนี้เขาเริ่มเห็นแล้วว่ามันไม่แน่นอนแต่เขาก็กําลังทําอยู่พวกอวกอย่าเพิ่งหยุดนะนะแต่ถ้าจะต่อยอดจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องฟังพระพุทธเจ้าบ้างเมื่อพระพุทธเจ้าชี้ว่าธรรมะที่พระองค์แสดงเนี่ยมันคืออะไรนะและ้วพระองค์ก็ชี้ให้เราเรามีเครื่องมืออยู่แล้วเต็มเปี่ยมไม่ต้องสร้างเครื่องมืออะไรทั้งขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมวิทยาศาสตร์ควอนตัมเขาใช้เครื่องมือเขาเรียกว่าประสาทเทียม เพื่อมาตรวจวัดพลังที่มันผัสสะพลังงานตนนั้นนะ่ะเรามีภาษาอยู่แล้วทำไมต้องใช้ภาษาเทียมเรามีวิญญาณตัวรู้อยู่แล้วนะพระองค์จึงบอกว่าเรามีเครื่องมืออยู่แล้วเต็มเปี่ยมคือโพธิปักขียธรรมสามสิบเจ็ดประการมีอยู่แล้วไม่ต้องไปสร้างขึ้นมาใช้มันใช้มันนะเริ่มจาก สติปัฏฐานสี่คือกายเวทนาจิตธรรมเทวดาไม่มีกายทำไม่ได้มนุษย์เรามีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมนี่เครื่องมืออันดับต้นในในสี่อย่างนี้มีแค่อย่างเดียวคือกายเป็นรูปธรรมนอกนั้นอีกสาสิบกข้อเป็นนามธรรมหมด ถ้าเราต้องศึกษาเรื่องนามธรรมาเราใช้เครื่องมือซึ่งเป็นรูปธรรมเครื่องรูปธรรมเรามีอยู่แล้วคือกายอย่างเดียวก็พอต้องเลิกคิดแบบวิทยาศาสตร์หาเครื่องช่วยไม่งั้นควรตอมที่ว่านี่จะเดินต่อไปข้างหน้าไม่ได้นะผู้เจ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาล น, นี้ พระองค์สอนแบบวิทยาศาสตร์อย่าพึ่งเชื่ออย่าพึ่งเชื่อฟังหูไว้หูอย่าพึ่งปฏิเสธนะเดี๋ยวเราจะพาดโอกาสอันแรกคือสติปัฏฐานสี่อันที่สองคืออิทธิบาทสี่มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอ่ะพระครูจะไม่อธิบายรายละเอียดนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรที่มันเป็นรูปธรรม ไม่มีเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีแล้วก็สั ม, มัตประทานสี่นะสำรวมระวังนะไม่ให้อกุสลใหม่มันเกิดขึ้นเพียนความเพียนเราทุกคนมีอยู่แล้วใช้มันนะเพียนละอกุสลที่มันมีอยู่แล้วให้มันหมดไปนะแล้วก็เพียนสร้างกุสลใหม่ให้มันเกิดขึ้นความเพียนเรามีอยู่แล้ว ไม่ต้องสร้างขึ้นมาไม่ต้องไปขอใครอยู่ที่ว่าเราจะใช้ไหมเมื่ อ, อกุศลมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็สำรวมระวังนะอย่าให้อกุศลนี้มันหมดไปนี่คือสัมมัตประธานสี่แล้วก็อินรี่ห้าสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามีอยู่แล้วสำคัญว่าเราจะใช้มันไหมเราจะเอาไหมไม่ใช่ไปฝึกสติฝึกสมาธิเนระฝึกมาหลายชาติแล้วมีอยู่แล้ว สำคัญว่าเราจะใช้มันไหมอินทรีห้านี่พละกําลังก็มีเป็นแต่ว่าแต่ละคนมีกําลังมากน้อยไม่เท่ากันแต่มีอยู่แล้วใช้มันไหมเห็นไหมถ้าเราเข้าไปในจิตในจิตได้แล้วทีนี้เข้าไปในจิตอย่างไรมีสูตรหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะสำมะถากรรมฐานในเนี่ยนะกรรมฐานสี่สิบกองเนี่ยเพราะครูชอบสูตรหนึ่งบังเอิญว่ามาตรงกับที่เราทำในเมืองไทยก็ใช้กันอยู่ เกือบครึ่งประเทศครูบาอาจารย์หลวงพ่อชาเราก็ใช้เนี่ยคืออาณาปณสติอาจารย์พุทธทาสก็อานาปณสติส่วนจะไปตั้งชื่อว่าพุทโธธรมโมสังโฆเนี่ยลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นชื่อสมมติเฉยในพระไตรปิฎกก็ไม่มีคําว่าพุทโธยุบหนอพองหนอไม่มีแต่ไม่ได้ผิดมันเป็นอุบายวิธีอย่างหนึ่งคือให้เราจําแม่นนะในพระไตรปิฎกอนุสติสิบนั้น พุทธานุสติเนี่ยไม่ได้ตามลมหายใจนะคือแล้ลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าธรรมานุสติเนี่ยก็ลึกถึงคําสอนคุณคุณพระธรรมนะส่วนอาณาปณสติคือตามลมหายใจเข้าส่วนท่านท่านจะไปตั้งชื่อพุทโทรธธรรมโมสังโฆเนี่ยมันเป็นแค่ชื่อสมมุติเพื่อให้เราจําแม่นเฉยก็คือจบแล้วว่าถ้าตามลมหายใจก็คืออาณาปณสติ ในอาณาปณสติสูตรผู้เจ้าตัดชัดเจนดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาณาปณสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำสติปฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์คือกายเวทนาจิตธรรมต้องเป็นหนึ่งเดียวตอนนี้เราฝึกสติฝึกสมาธิมันบริบูรณ์ไหมยังอยู่ในฐานกายอยู่อย่างมากก็พิณาเวทนาในเวทนาเราแยกส่วนแล้วไปนั่งดูจิต ยังมีผู้ดูกับสิ่งที่ถูกเห็นมันก็เป็นแค่เจริญสติสตว่าบ้านหลังนี้ชื่อว่าจิตแล้วก็ไปนั่งดูมันแล้วก็เห็นเงาของบ้านนะไปส่องดูหน้าต่างข้างในมันยังเปื่อนยังเปื้อนเหมือนเก่าไงไม่ใช่ไปเห็นจิตแบบนั้นต้องเปิดประตูบ้านเข้าไปในจิตในจิตเราถึงสามารถเสพเสพอารมณ์ในบ้านหลังนั้นมันเปื้อนยังไงเราก็ไปเห็นเราก็ไปขัดเก่าจิตให้ผ่องใสนะ ถ้าวันนี้เราไปนั่งดูนั่งเพ่งมันเป็นแค่จรรจ์เจริญสติมันยังไม่ให้การเจริญมากนะก็เมื่อเราเข้าไปในจิตในจิตแล้วเนี่ยโพชฌงค์ทั้งเจ็ดก็แสดงตัวไม่ว่าจะเป็นสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ซึ่งเป็นบารมีเก่าคําว่าโพชฌงค์เนี่ยเป็นตามธรรมชาติเป็นกําลังของจิตเรามีอยู่แล้วเนี่ยเราต้องเข้าไปในเว็บไซต์ไปเอาพลังตัวนี้เนี่ยมาต่อยอด ผู้เจ้าก็ตัดต่อไปว่าสติปัฏฐานทั้งสี่อันบุคคลจเจริญทำให้มากแล้วนะย่อมทำโพธิ์ชงทั้งเจดให้บริบูรณ์โพธิ์ชงทั้งเจอันบุคคลจเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำวิชาชช้างสองตัวนะไม่ใช่วิชาการที่เราเรียนรู้กันในนี้วิชาตัวนี้ก็คือตัวยานปัญญาก็คือตัวปัญญามันก็แสดงตัววิชาและวิมุตติคือความหลุดพ้น มันก็จบตรงนั้นนะก็อยู่ในแต่อานาปนสติเนี่เป็นสัมมถกรรมฐานเป็นอนุสติแต่เราเริ่มต้นจากตรงนี้เราสามารถพัฒนาไปสู่วิปัสสนากรรมฐานได้แต่ตอนนี้ถ้าเราฝึกอานาปนสติสามสี่สิบปีเราก็อยู่ตรงนั้นแหละเราก็ได้เจริญสติเจริญอนุสติต้องใช้สูตร ธรรมจักรกับพระวนสูตรที่พระเจ้าแสดงเนี่ยเร่งสติหมุนกลงล้อของธรรมจักรเหมือนรถยนต์ไม่ติดเราก็เข็นมันมันสตาร์ทเครื่องติดปุ๊บแล้วก็เปิดแอร์ได้เปิดวิทยุได้เราใส่เกียร์ปุ๊บมันดับเพราะพลังมันไม่พอเราต้องเร่งเครื่องนะเร่งเครื่องใส่เกียร์ไปเลยนะอันนี้แหะคือธรรมจักรกับพระวนสูตรส่วนสัญลักษณ์ธรรมจักรข้างนอกเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์เหมือนพระพุทธรูปเนี่ย เป็นสั ญ, ญลักษณ์ไม่ใช่ตัวพระพุทธเจ้าเรากราบไหว้พระพุทธรูปเนี่ยเพื่อระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ห่างไกลจากกิเลสเราไม่ได้กราบไหว้ในฐานะที่พระองค์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขอนวนขอนี่พระองค์ไม่ได้สอนแบบนั้นพระองค์สอนให้เราพึ่งตนเองอัตติเหตุอั ต, ตโนานาโถพระองค์เป็นแค่ผู้ชี้ทางนะพระองค์ยังไม่สามารถ ไปปลดปล่อยเทวทัตไม่สามารถปลดปล่อยอาชาติศัตรูขนาดพระ อ, องค์ยิ่งใหญ่แค่ไหนพระ อ, องค์ก็ฝืนกฎแห่งกรรมไม่ได้นะแต่พระ อ, องค์มีหน้าที่ชี้ทางให้เราเราต้องเดินเองต้องพึ่งตนเองนะเราต้องเข้าใจว่ามีบางลัทธินิกายเขาด่านะพวกนี้ไหว้พระอิฐพระปูนพวกหลงงมงมายถ้าเราไหว้ในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สมควรให้เขาด่ามงมงายจริงๆ พระวิญญาไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้ยุคนี้เนี่ยเราเหาะเหินเดิอนอากาศได้ยาติธรรมบางคนเนี่ยเมื่อเช้าเพิ่งบินมาจากกรุงเทพจากมาถึงอุบลชั่วโมงหนึ่งเราเหาะได้เห็นไหมเราหูทิพนะเพื่อนอยู่ลอนดอนคุยกันรู้เรื่องเราตาทิพด้วยเขาแสดงละคร อ, อยู่โตเกียวเราเห็นเลยนะมันไม่ทําให้เราพ้นทุกข์ยิ่งทําให้เราเพิ่มทุกข์อีกเพราะพระวเจ้าจึงไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระ อ, องค์ยิ่งกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำสอนพระ อ, องค์ทำให้เราพ้นทุกได้ถ้าเราทำจริงๆนี่แหละพ่อครูจึงเลิกนับถือพระพุทธเจ้าทันทีในวันที่มันเกิดระเบิดขึ้นมาเพราะคำว่านับถือนี่มันหยาบไปบูชาถวายชีวิตพระ อ, องค์ไปเห็นได้ยังไงไปรู้ได้ยังไงแล้วยังไม่พอยังรู้จากวิธีแก้ด้วยพ่อครูไม่สงสัย ก็เรารู้ได้เฉพาะตนเราสัมผัสด้วยตัวเราเองพูดว่าเชื่อไม่เชื่อมันหยาบไปมันไม่ใช่เรื่องที่เชื่อไม่เชื่อมันเป็นความจริงเพราะพุทธองค์จึงบอกว่าหนทางแห่งพุทธะไม่มีหลักการไม่ใช่ปัจชญานะแต่เป็นประสบการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นกับพระองค์ถ้าคนเข้าถึงประสบการณ์จริงๆเนี่ยเราจะไม่ใช้วิชาความรู้ ซึ่งเรายึดมั่นถือมั่นไปบังคับให้คนอื่นทำเหมือนเราจะไม่ทำเอย่างกันเด็ดขาดมันไม่ใช่องค์ความรู้มันคือความจริงนะก็ง่ายมากศาสตร์พระ อ, องง่ายที่สุดเห็นไมพราคกูถึงบอกว่าพอเห็นวิทยาศาสตร์วอนต้มนี่ก็บอกเออโอเคนะแล้วก็คนที่เขาเขียนตรงนี้เนี่ยก็ติดตามว่าตอนนี้เขาเริ่มไปปฏิบัติธรรมแล้วเขาก็อ้าง คำสอนพุทธเจ้าอ้างคำสอนพระอาจารย์พุทธทาสบ้างก็ดีแล้วล่ะนักวิทยาศาสตร์ต้องมาช่วยกันทนําอย่างนี้บ้างๆไม่งั้นเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมันแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้นักวิทยาศาสตร์ถึงศึกษาเรื่องรูปธรรมไม่เอานามมาทําที่พ่อครูเคยบอกล่ะก็เหมือนคนขาขาดครึ่งเดียวทีนี้คนเอาเรื่องจิตวิญญาณอย่างเดียว แล้วไปนับถือศาสนาแบบหลงมงมงายก็สุดตรงเหมือนคนตาบอดสุดตรงพระองค์เคยตัดว่าบัมพชิตไม่เสพส่วนสุดตรงสองส่วนระหว่างของคู่ถึงว่าวันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่มากที่พระองค์แซงทรมาจักรกับพระสูตรโดยยึดหลักทางสายกลาง ก็คือไม่เสีบส่วนสุดตรงสองส่วนถ้าเป็นเรื่องจิตวิญญาณแล้วเนี่ยที่เราฝึกจิตเนี่ยระหว่างข้างนอกกับข้างในข้างนอกคืออะไรเรามีอจนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอจนาภายในหกอจนาภายนอกมีหกอย่างมันมีระตามธรรมชาติคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์ความความต้อมกาลังศึกษาเรื่องนี้อยู่ นะแรงพัดสะตรงนี้เหมือนอะไรเหมือนเราฟุตบอลเนี่ยเบสบอลเนี่ยเฟี้ยงเข้าไปข้างฝาเฟี้ยงเข้าไปข้างฝามันสะท้อนกลับมันอิมแพกนี่คือพลังพัดสะนะทีนี้เฟี้ยงเบาก็สะท้อนมาเบาเฟี้ยงแรงก็สะท้อนมาแรงนะมันไม่แน่นอนว่าเฟี้ยงปุ๊บมันจะเหมือนกันมันก็อยู่ที่พลังเฟี้ยงอีก พลังดันกับพลังตีกลับทีนี้ที่เราสร้างรรมาจักรกับะนสูตรเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะทำไมพวกคูใช้เสียงยี่สบกปีพวกคูลองใช้ทั้งหมดแล้วล่ะสามชั่วโมงที่พวกคูเที่ยงคืนถึงตีสมมันเกิดความเปลี่ยนแปลงของชีวิตเนี่ยเขาทำให้พวกคูเห็นเนี่ยขบวนการทำงานของร่างกายของวิญญาณ ตอนนั้นไม่รู้เลยว่าอะไรคือวิญญาณแต่พ่อคูเห็นการทํางานของเขานะพ่อครูไม่รู้ว่าเรียกชื่อว่าอะไรอะไรคืออยตนาภาัยใดภัยนอคไม่รู้บุญเยอะมากที่ไม่ต้องรู้เรื่อง พ, พวกเหล่านี้รู้มากทุกมากรู้แล้วก็กลายเป็นขยะก็ไปหลงความรู้ตัวเองก็ไปนั่งเถียงกันของฉันถูกของเธอผิดถ้าพ่อคูมีรู้พวกนี้พอมันเกิดอาการสามชบงนั้นพ่อกูก็คิดตามความรู้พเพราพ่อคูเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าจิตมันก็ถูกดึงไว้ เนื่องจากเราไม่รู้อะไรเลยมันเกิดอาการพ่อครูเห็นมันหมดเลยมันเกิดอะไรบ้างเรานั่งหลับตาลงนะเสียงแอร์มันดังเราเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ก็คิดอีกเพึ่งเปลี่ยนใหม่ๆแพงก็แพงทําไมมันดังขนาดนี้มันได้ยินซี่หูมันก็มารู้ที่ใจมันวิ่งมันดึงไประหว่างหูกับใจพ่อครูก็เห็นอาการที่มันดึงไปดึงมามันเต้นเหมือนคนเข้าทรงเลยมันดึงขึ้นดึงลงเราก็ดูมันดูมัน นี่แหละไอ้ที่เช็กจิ้งนันมาจากตรงนี้ที่เราสั่นสะเทือนประมาณครึ่งชงั่วโมงมันก็มันก็หมุนมาข้างๆนี่เหมือนเครื่องซักผ้าหมุนหมุนหมุนหมุนมุนแบบนี้นะเนี่ยนี่คือที่เขาเรียกว่าสมาธิเวียงเพราะกูไม่ได้ตั้งชื่อนะคำว่าเวียงนี่มันเป็นกิริยาคือเราสลัดออกอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเวียงความยึดมั่นถือมั่นทิง้งเวียงที่เราจะไปหลงมันทิง้งคือเตือนแล้วว่าอย่าไปติดมันมันไม่ใช่ชื่อเรียก ถ้าตั้งชื่อพุทธกายเป็นลัทธิน้กายเป็นอีกค่ายหนึ่งพราอครูไม่เคยตั้งลัทธินะแค่นี้มันก็ทะเลาะ ก, กันมากมายแล้วพาอครูจนไม่ต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการขับแยง่งนะชี้ให้ดูเห็นไม้มถ้าเราใช้รถแล้วต้องมีเครื่องช่วยนะเอาอะไรล่ะเอายามาอมอมาริมรถที่ลิ้นมารู้ที่ใจ มันก็ดึงกันได้แต่มันเล่นสติไม่ได้หลวงพ่อคงนี่ใช้ลมหายใจพุทโธเนี่ยหรืออาณาปนสตินี่ก็คือกลิ่นนั่นแหละไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างไม่เกี่ยวกับอายตนะกลิ่นลมหายใจกลิ่นมันตามลมหายใจมันกระทบผัสสะที่จมูกนะลมหายใจสั้นก็รู้ยาวก็รู้ถ้าเราทำแค่นั้นเราก็ได้เจริญอนุสติ แต่หลวงพ่อคงเนี่ยท่านดึงให้มันไปรู้ที่ใจ <c oughs> มันดึงระหว่างใจกับจมูกมันก็เกิดแรงเบี่ยงขึ้นคนที่ติดพุทโธมันา น, านาเนี่ยนะเบี่ยงไม่ได้เพราะเบี่ยงปุ๊บมันก็ไปตามลมหายใจเพราครูก็ให้พิจารณาลมหายใจไม่ใช่พิจารณาเอาลมหายใจแต่ว่าดึงให้มันไปถึงใจแต่ว่ามันเหนื่อยผู้เฒ่าผู้แก่ก็ทำไม่ได้ พ่อครูจึงไม่เลือกพ่อครูลองมาหมดแล้วหรือเราจะลองอย่างนี้ก็ได้ตีขาตัวเองอันนี้คือผัดสะเห็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็ต้องมารู้ที่ใจนะมันก็หมุนได้แต่เราก็เราก็เสียเวลาตีใช่ไหมตีไป น, นานเราก็เจ็บนะมันก็เมื่อยใช่ไหมสุดท้ายพ่อครูก็เลือกเสียง และสามชั่วโมงนั้น่ะมันเกิดอาการนี้จากเพราะครูได้ยินเสียงแอร์มันไม่หลุดจากคำสอนพระเจ้าเราจเจริญวิปัสสนาโดยใช้อายตนะลมหายใจก็อายตนะคือกลิ่นรูปรดกลิ่นไม่มีแม้แต่อย่างเดจะนะเราต้องรู้ว่าที่มันเกิดอาการอย่างนี้เพราะอะไรนะมีลทัทธิหนึ่ง อยู่เมืองไทยนี้แหละเขาก็เปล่งเสียงมาน้าหนน้าหน้นนนานนมอะไรน้าหน้มันก็เสียงนั่นแหละแต่ผู้ปฏิบัติต้องมีการกระทำเกิดขึ้นพราะครูเลยเลือกเสียงซึ่งผู้ปฏิบัติไม่ต้องทำอะไรเลยเสียงเราสร้างขึ้นมาได้แล้วก็ใช้เทคโนโลยีสม so. ัยใหม่พ่อครูมาอเมริกาใหม่ๆเนี่ยเกือบเจ็ดปดปีนะใช้ละคัง เพราะว่าที่นี่ไม่มีไฟฟ้าน ะ, ะระฆังแตกไม่รู้มากี่ใบละแต่ถ้าพวกครูตีไม่มีวันแตกนะแต่ผู้ช่วยเนี่ยตีแตกทุกคนเลยเพราะเอาใจตีนะเสียงเสียงอะไรก็ได้นะโดยธรรมชาติมันรู้เสียงปุ๊บมันจะส่งมารู้ที่ใจอย่างเขาด่าเราเห็นไหมเขาด่าเราเนี่เสียงด่านี่คือรูปตัวได้ยินเสียงคือนามปกติมันเกิดมันก็ดับ แต่สติเราไม่ทันรูปเกิดปุ๊บกระทบหูมากระเทือนใจเวทนาเกิดละไอสัญญาที่บันทึกไว้ว่าไม่ชอบถูกดา่ามันไม่พอใจมันวิงขึ้นมาแล้วก็สัญญาใหม่ก็บันทึกไว้ว่ามันด่าเราสัญญาใหม่สัญญาเก่ากระทบกันนะกระทบอารมณ์ที่ใจนะก็เกิดเวทนาขึ้นเกิดเวทนาเกิดสัญญา สังขารปรุงแต่งแล้วว่าเธอด่าฉันฉันเสียเปียบไม่ได้ฉันต้องด่าเธอไปคืนความเร็วของมันเนี่ยนะลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเท่ากับหนึ่งวินาทีของโลกเราสร้างกรรมแล้วเราสร้างกรรมแล้วทีนี้กรรมมันก็ส่งผลวิชาที่สองที่พระเจ้าตรัสลุอคือจตุปาตยานยานรู้ว่าด้วยการเกิดเพราะกรรมตายเพราะกรรม เราคิดปุ๊บ ก, ก็มโนกรรมพูดปุ๊บบัจีกรรมทำปุ๊บคือกายกรรมคนอื่นไม่รู้จิตบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วเราหลอกคนอื่นได้เราหลอกจิตเราไม่ได้เราบันทึกสัญญาไว้แล้วก็สัญญานี้บันทึกมาหลายภพหลายชาติแล้วทาไมละลึลกชาติได้ไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลไม่ใช่เรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารมันเป็นอภิญญาอย่างหนึ่งนะมันเป็นอภิญญาอย่างหนึ่งแต่อภิญยามันมีแปด แต่อภิญญาเจ็ดข้อเนี่ยหูทิพตาทิพแล้วลึกชาติอะไรก็ช่างเนี่ยมันเป็นโกลกิยะอภิญญามันมีประโยชน์แต่ถ้าเป็นหลงมันเมื่อไหร่เป็นโทษอย่างยิ่งทำให้เราไปเสียเวลาเป็นประโยชน์ที่เราลึกพระพุทธเจ้าตรัสลูเรื่องเวียนไหยตายเกิดบาปบุญคุณโทษกฎแห่งกรรมไม่ใช่พระ อ, องค์นั่งเทียนเรานะนั่งคิดเอาเองนะไม่ใช่พระ อ, องค์รู้สิ่งนี้เพราะพระ อ, องค์ไปแล้วลึกชาิ เป็นวิชาแรกพี่เราตัสรุคือบุพเพนิวาสานุสติยานยานรู้ว่าด้วยการระดึกชาติสมัยเป็นพระเวสสันดรเป็นอะไรอะไรนั่นแหละประสบการณ์ตรงนั้นทําให้พระองค์เห็นเรื่องเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ไปสัมผัสเรื่องกรรมด้วยชาตินี้สร้างกรรมดีเกิดมาก็รับกรรมดีส่วนที่เป็นกรรมชั่วก็รับกรรมชั่วนั่นคือเกิดจากประสบการณ์จริงๆของพระองค์อันนี้คือวิชาที่สองคือจตุปาตยาน ยารู้ว่ัติการเกิดเพราะกรรมตายเพราะกรรมทีนี้พระองค์ไปตัดสู่เห็นว่าเราเผอสร้างกรรมมาทั้งหลายชาติแล้วจะมาจ่ายหนี้กรรมในชาติเดียวมันจะหมดได้อย่างไรวิชาที่สามเนี่ยเป็นวิชาที่ยิ่งใหญ่พระครูจึงบอกพระครูถวายชีวิตพระองค์รู้วิธีแก้ที่เราบอกแก้กรรมแก้กรรมแก้กรรมไม่ใช่ว่าไปแค่ปล่อยนกปล่อยกายไปทําวิธีนั้นอันนั้นแค่หลอกให้เราสบายใจเฉยๆนะถ้ามันง่ายขนาดนั้นมันก็ดีสิ นะต้องแก้กรรมในจิตไปรับวิบากกรรมนั้นทางจิตนะวิชาที่สามคืออาสวะขยายานพระองค์ไปตัดสลูเห็นว่าที่เราสร้างกรรมน่ต้นเหตุคือเรามีอาสวะกิเลสเรามีกิเลสเราถึงสร้างกรรมนะพระองค์ก็ไปเจอวิชาว่าด้วยการกาจัดอาสวะกิเลสก็คือมักมีองแปด ก็มาตกที่วันนี้ที่พระ อ, องค์แสดงย้อนหลังไปสองพันกว่าปีก่อนนะคืออริยสัจ4แล้วก็โดยเฉพาะอริยสัจ4ีสข้อแรกเนี่ยเป็นสิ่งที่พระ อ, องค์บอกให้เรารู้เฉยๆแต่สิ่งที่ท่องเราต้องทำต้องปฏิบัติก็มีมรรคนะการปฏิบัติธรรมจึงจบอยู่ที่การเจริญมรรคผลนิพพานไม่ใช่เรื่องไปฝึก วิชานู่นวิชานี่หลงป่าต้องหาทางเดินออกจากป่าให้เร็วที่สุดไม่ใช่ไปฝึกวิชาเดินป่าไปสร้างกำลังเพื่อจะเดินป่านะเสือมันมามันก็กินเราไฟไหม้ป่าเราก็ตายเราตายในป่าวัดตาสงสัยไม่รู้กี่รอบแล้วไม่มีเวลาเราเกิดมาเพื่อเดินทางต่อสถานเดียวนะพระเจ้าก็ชี้ทางง่ายๆให้ไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้วุ่นวายเด็กๆเนี่ย เรียนอนุบาลปฐมเนี่ยเรียนเจ็ดแปดหมดวิชาท่องอยู่ตรงนั้นแหละเรียนก็ทุกจบมาทำงานก็ทุกอีกวันจะตายตายเมื่อหลวงก็ทุกอีกยังทุ่มเทให้ตลอดชีวิตแต่วิชาพววุทธเจ้าง่ายๆทำแค่สามข้อทำดีละชั่วขัดเกาจิตให้ผ่องใสวิธีทำดีก็บอกด้วยทานวิธีละชั่วก็บอกด้วยศีลขัดเกาจิตให้ผ่องใสคือเจริญภาวนาเห็นไหมไม่ซับซ้อนทาแค่สามอย่าง มันจะยากตรงไหนง่ายที่สุดอยู่ที่ว่าเราจะเอาไหมนะวันนี้เนื่องจากเป็นวันอาสาละหบูชานะและพรุ่งนี้วันเข้าพรรษาพระครูก็ขอเวลาให้มันจบวันนี้พรุ่งนี้ทำวัเดเย็นเสร็จแล้วเนี่ยพระคุณเจ้าก็จะมีตัวแทนมรเทศนะก็ คือหลายคนถามพวกครูเนี่ยโดยเฉพาะเรามีแม่ชีบวชใหม่มีเนรบวชใหม่มีพระภิกษุบวชใหม่ด้วยเนี่ยเขาต้องการรู้ว่าเราจำพรรษาทำไมนะแน่นอนคำบอกกล่าวว่าเป็นดูดูที่เขาเก็บเกี่ยวหรือว่าเขาปลูกอะไรเนี่ยไม่คือหยุดสร้างกรรมเพอเพอไปเหยียบข้าวอะไรเข้ามานี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเมื่อเราเสียเวลาสามเดือนนี้สิ่งที่เราต้องทาคืออะไรนะพวกครูก็ไปเปิดดูนะ เขาเรียกว่าประหารสูตรว่าด้วยการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เประการจริงๆแล้วสังโยชน์ที่เต็มสูตรน่ยก็คือสังโยชน์สินะเประการนี่คือหนึ่งภิกษุอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละเพื่อตัดอนุยาสังโยชน์ข้อ 2. ปฏิกะสังโยชน์ข้อ3ทิติสังโยชน์สวิจิกิจฉาสังโยชน์ 5. า้ามานะสังโยชน์หกพวลาคะสังโยชน์เจ็ดอวิชาสังโยชน์รายละเอียดไปเปิดอ่านหนังสือก็ก็อ่านเป็นละไม่ใช่วันรู้เฉยเฉยว่าสังโยชน์เจ็ด 7. มีอะไรนะต้องปฏิบัติให้มันเกิดผลมันจะได้ไม่เสียเวลาสามเดือนเปล่าๆของเรานะไม่ใช่พระคุณเจ้าไม่ชีมหรือเนนแลวพวกญาติโยมที่ภาวนาตัวเข้าพรรษา นะเราก็ต้องอย่าให้เสียเวลาเปล่าๆนะก็ต้องอันนี้เนี่ยเป็นธรรมะที่จะละนะภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุละสังโยชน์ทั้งเ็ดประการได้เด็ดขาดตัดรากถอนโคนเหมือนตัดตาลที่ถูกตัดรากตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ เมื่อนั้นเราจึงเรียกภิกษุนี้ว่าตัดตัณหาได้แล้วถอนสังโยชน์ได้แล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเพราะละมานะได้โดยชอบจะทำได้แค่ไหนก็ทำเพราะมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำนะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราต้องลดละเลิกให้เขาเหลือน้อยที่สุดหรือถ้าว่าบุญเราเยอะก็ตัดให้มันหมดเลยนะก็เรามาเดินทางนี้แล้ว เราไม่ทำหน้าที่ไม่รู้จะมาเดินทาไมนะส่วนมีอีกสูตรหนึ่งนง่ไอ้ตัวนี้เป็นตัวทำให้มันเกิดขึ้นนะพ่อครูก็ไปเห็นเขาเรียกว่าอุคคสูตรว่าด้วยมหาอัมมาชื่ออุคขราชราชมหาอัมมาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ค่าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงๆไม่เคยปรากฏที่มิคารเศษฐีผู้เป็นหลานของโลหณะเษฐีนี้เป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโพกกระทรัพย์มากถึงเพียงนี้พระผู้มีภาคเจ้าตรัสถามว่าอุกคะมิคานเศษฐีผู้เป็นหลานโลหณะเษฐีเป็นผู้มั่งคั่งเพียงไร มีทรัพย์มากเท่าไรมีพภ ก, กทรัพย์มากเท่าไรอุคขามหาอัมมาดกาบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเขามีทองแสนหนึ่งไม่จำต้องพูดถึงเรื่องเงินพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุคขะทรัพย์นั้นมีอยู่จริงเรามิได้กล่าวว่าทรัพย์นั้นไม่มีแต่ทรัพย์นั้นและเป็นของทั่วไปแก่ ไฟน้ำพระลาชาโจรและทายาทผู้ไม่เป็นที่รักอุคระรัพเจ็ดประการนี้แหลเป็นของไม่ทั่วไปแก่ไฟน้ำพระลาชาโจรและทายาทนะรัพเจ็ดประการที่พวกเจ้าแสดงนะซึ่งเป็นอริยศัพหนึ่งศรัทธาธนะ 2. สองศีลธนะสาหิล ทนะสี่โอตัปปะทนะห้าสุตตะทนะหกจาระทนะเจ็ดปัญญาทนะอันนี้เรียกว่าอริยศัพนะเราต้องทำให้มันเกิดขึ้ น, น <ะ S 2> พอเราลดละเลิกตรงนี้แล้วไอ้บัลมีเก่าตัวนี้ก็แสดงตัว <c oughs> มันเกิดขึ้นเพราะเราลดตรงนั้นแล้วก็ต้องสร้างเพิ่มนะ พระครูยกตัวอย่างข้อแรกคือศรัทธาธนะเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาคือเชื่อปัญญาเครื่องตัดสลูของตถาคตว่านะแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันตัดสลูด้วยพระองค์เองโดยชอบเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระมุผู้มีพระภาคนี้เรียกว่าศรัทธาธนะถ้าเราไม่ศรัทธาพระองค์เราไม่เชื่อว่าพระองค์ตัดสลูทําได้จริงๆ เราก็ไม่ยอมปฏิบัติไม่ยอมมุ่งมั่นศรัทธานี่สำคัญมากแต่ไม่เชื่อแบบหลงกลงายเขาว่าดีก็ไปดีกับเขานะนะแต่แรกแรกเราต้องเชื่อก่อนว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระองค์ตรัสรู้ธรรมได้จริงนะไม่งั้นเราก็ไม่เกิดศรัทธาศรัทธานี่เป็นตัวที่สำคัญเริ่มแรกสองศีลธนนะเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ เป็นผู้เว้นขาดจากการเสษของมืนเมาคือสุลาและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทนี่เรียกว่าศีลธนะเราเสียเวลาหน่อยนะอันนี้เราอ่านหนังสือก็รู้แล้วแต่บางคนนี่ไม่เคยรู้เลยนะถึงรู้แล้วก็ไม่จบแค่รู้ต้องทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆไม่ใช่ไปเรียนรู้ว่าฉันไปเห็นแล้ววิธีนี้ฉันรู้แล้วนะ ฉันจบด็อกเตอร์แล้วฉันอ่านหมดแล้วสันสอบผ่านแล้วศาสนาพุทธไม่ได้สอนอย่างนั้นไม่ได้สอนให้รู้แบบนั้นสอนให้ปฏิบัติเพื่อให้มันพ้นทุกได้จริงๆข้อที่สามฮิริธนะเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีฮิริคือละอายต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตละอายต่อการประกอบบาปอากุศลธรรมทั้งหลายนี่เรียกว่าหิริธนะ ข้อที่สี่โอตัปปะธนะเป็นอย่างไรคืออริยาสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีโอตัปปะคือสะดุ้งกลัวต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตสะดุ้งกลัวต่อการประกอบบาปอกุศลธรรมทั้งหลายนี่เรียกว่าโอตัปปะธนะข้อที่ห้าสุตตธนนะเป็นอย่างไรคืออริยาสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นพระหูสูตรสั่งสม สุตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดนะประกาศพมบระจันพร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธ์บริรบรูรณ์ครบถ้วนทรงจำไว้ได้ข้องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยชิตินี่เรียกว่าสุตะธนะข้อที่หจาระธนะเป็นอย่างไร คือเหลยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีใจปราศจากความตนีอันเป็นมนทินมีจาคะอันสละแล้วมีฝ่ามือชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการแจกทานนะอยู่ครองเรือนนี่เรียกว่าจาคธนะข้อที่เจอันนี้สำคัญที่สุดเป็นเป้าหมายสูงสุดนะคือปัญญาธนะเป็นอย่างไร คืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาให้ถึงซึ่งความสิ้นทุกข์โดยชอบนี่เรียกว่าปัญญาธนะภิกษุทั้งหลายทรับเจตประการ น, นี้แลผู้ใดจะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามมีทรับเจตประการ น, นี้บัณฑิตทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าเป็นคนไม่ขัดสนชีวิตของเขาก็ไม่สูญเปล่านะเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาเมื่อละลึกถึงคําสอน ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายควรหมั่นประกอบศรัทธาศีลความเลื่อมใสและการเห็นธรรมนะก็เอามาอ่านให้ฟังนะมาฟื้นฟูนว่ารู้ว่าเราเข้าปรญญาเรามีหน้าที่อะไรนะไม่ใช่ปล่อยเวลาผ่านไปเฉยเฉยมันจะสูญสูญเสียเวลาในชีวิตเรานะก็ก่อนจะจบ พกก่อครูก็ช่วงนี้เรามีซีรีส์ภาพยนตร์พระพุทธเจ้านะดีมากแล้วก็เปิดให้เด็กๆแล้วพวกเราได้ดูด้วยนะไม่ต้องไปอ่านพุทธประวัตินะเราเห็นอารมณ์ด้วยเห็นอะไรด้วยนะพ่อครูก็เรียนรู้ไปด้วยนะบางอย่างที่เราเคยได้ยินกับภาพยนตร์ที่เขาสร้างมันก็ไม่เหมือนกันนะเขาว่ากันต่อว่ากันต่อทีนี้ผู้สร้างนี้นี่ยยิ่งใหญ่มากนะ ทุ่มเทเป็นพันๆล้านนะพระครูอนโมทนาด้วยถ้าพูดถึงกำไรขาดทุนขาดทุนตั้งแต่วันแรกที่คิดว่าล้ะแต่เขาได้มหาศาลเขาได้บุญกุศลนะแล้วเขาสร้างดีมากอันนี้เราก็ต้องดูกันมีคำกล่าวพระพุทธเจ้าท่านกล่าวคำหนึ่งพระครูก็โนทมานะหนทางของเรามีจุดบกพร่องสองประการเท่านั้นจริงๆแล้วไม่มีหรอก แต่พระองค์ก็พูดไปยังไงมีจุดบกพร่องสองอย่างคือหนึ่งไม่ยอมเริ่มดำเนินสองดำเนินไปไม่ถึงที่สุดแค่สองอย่างนี้สองอย่างนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผู้เจ้าบกพร่องคือผู้ปฏิบัติเองเนี่ยหนึ่งไม่ยอมปฏิบัติสองปฏิบัติไม่ถึงที่สุดคือตัวเราเองเน่ะบกพร่องนะหนทางของบุธีเจ้าไม่มีบกพร่องแม้แต่หนึ่งอย่างนะ ขอให้ทำจริงนะพ่อครูเองยืนยันด้วยชีวิตพ่อครูพระพุทธเจ้ามีจริงดวงจิตนั้นมีจริงส่วนจะชื่อว่าเจ้าชายสิทธัตถะหรือไม่เพื่อนฝรั่งพ่อครูนอกศาสนาเขาไม่เชื่อก็เรื่องของเขาไม่สำคัญหรอก <c oughs> อ, อ, อยู่ในร่างไหนแต่จิตดวงนั้นมีจริงคำสอนพระองค์ทำให้เราพ้นทุกข์ได้จริงๆ ถ้าพวกเราเอาจริงนะอันนี้ไม่ต้องรอนะว่าเราสำเร็จในชีวิตนะแล้วค่อยมาปฏิบัตินะพเพราะครูบอกว่าตายก่อนสำเร็จไปว่าเสร็จแล้วคนที่เขารวยที่สุดในโลกตอนนี้เขายังไม่เสร็จนะไม่มีใครเสร็จจะคนหนึ่งเดินไปคู่ๆกันทุกคนต้องทำงานทุกคนต้องมีอาชีพนะ ไม่ใช่ไปสร้างอาชีพจนมั่งคั่งแล้วจะมาปฏิบัติเพราะคูบอกตายก่อนนะอาชีพนั้นก็เป็นการปฏิบัติธรรมเป็นหนึ่งในมัคมีองแปดนะเพียงแต่ว่าต้องทำอาชีพยอย่างมีความสุขอย่าอดทนทำงานเพื่อความสุขจงทำตนให้มีสุขเมื่อได้ทำงานแต่ถ้าเราไม่รักอาชีพนั้นนะนะเราก็จะทุกข์กับมันเราต้องมีฉันทะมีความพึงพระจยกับสิ่งที่เราทานะ ทำอาชีพมันและคือปฏิบัติธรรมแต่อาชีพอย่างเดียวไม่พอนะมันเป็นแค่หนึ่งในแปดต้องทำให้ครบสมบูรณ์ทั้งแปดข้อมักมีองแปดก็วันนี้พ่อกกูก็ใช้เวลาพอสมควรนะก็สุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระศีรัตนาใยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในส า, นากลจักรวาลพร้อมทั้งบุญบรารมีที่ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติมา ได้คุ้มครองให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนบนรรลุมรรคผลนิพพานโดยไวยเถรน